หลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกองเพนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่ขาวเป็นลูกศิษย์องค์สำคัญของท่านอาจารย์มั่นองค์หนึ่งในสมัยหนุ่มท่านมีนิสัยอาถหารทรหดอดทนและ จริงจังในการบำเพ็ญเพียรมากท่านเที่ยวทุดงไปทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือกระทั่งได้กำลังครั้งสำคัญที่จังหวัดเชียงใหม่หลวงตาเป็นผู้เรียบเรียงประวัติของหลวงปู่ขาวขึ้นเพราะมีโอกาสได้ซักถามพูดคุยข้ออัิธรรมที่ลึกซึ้งกับท่านคราวหนึ่ง ของการเทศอบรมพระภายในวัดท่านพูดถึงการสนทนากันในครั้งนั้นว่าหลวงปู่ขาวนี่เคยพูดกันตั้งแต่นูนนี่ก็ไม่เคยพูดกันอีกนะตั้งแต่ไปอำเภอหนองบัวลาพูคุยกันสนุกสองต่อสองสองทุ่มเริ่มจนกระทั่งหกทุ่มท่านให้เราพูดเราก็พูดให้ฟัง ท่านเป็นผู้ฟังนี่นะเริ่มแต่กอไก่กอกาเรื่อยทุกกิทุกกีเป็นยังไงยังไงว่าไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งหมดความสามารถของเราแล้วเราก็มอบถวายท่านเลยบอกว่าท่านอาจารย์อย่าผูกเป็นความเกรงใจกระผมฉะนั้นขาดข้องตรงไหนมันไม่ถูกตรงไหน ขอให้ท่านอาจารย์บอกกันอย่างตรงๆงเอาฟาดให้เต็มที่เลยผมหมดความสามารถเท่านี้แหละถ้าติดก็ติดแบบว่าไม่สนใจจะแก้เลยขนาดนั้นแหละหลงก็หลงขนาดนั้นแหละแต่ท่านก็ไม่พูดมากนะเราก็ไม่ลืม นี่สรุปเอาเลยนะนี่นะคุยกันมาตั้งแต่สองทุ่มจนกระทั่งถึงหกทุ่มเราเดินมาถึงห้าทุ่มเรื่องของเราเรื่องของท่านมีเพียงชั่วโมงเดียวไม่ถึงชั่วโมงพอพูดของเราเสร็จลงแล้วมอบลงแล้วไม่ให้ท่านผูกเป็นความเกรงอกเกรงใจไว้ ว่าผมเป็นมหาเรียนหรือได้เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์มาเป็นยังไงไม่เป็นปัญหาที่จะมากีดกันท่านอาจารย์ให้พูดด้วยความสะดวกไม่ได้ไม่ต้องเอาเป็นอุปสรรคท่านอาจารย์พูดเลยว่ายอมรับทุกอย่างละ่ะสิ่งที่มันสุดวิสัยผมแล้วไปแล้วผมก็กราบเรียนได้เพียงเท่านี้แค่นี้ละ่ะ ถ้าหากว่าติดก็ติดแบบเจ้าของไม่มีความสนใจจะแก้ไม่รู้ขนาดนั้นละ่ะไม่รู้จนกระทั่งมันไปถึงไหนนั่นแหละติดติดอยู่ตรงไหนนั่นแหละไม่รู้เลยถ้าว่านอนตายก็นอนเฉลยเหตุเลยผลน่นแหละจากนั้น ท่านก็พูดมาท่านพูดเอาเฉพาะเคล็ดนะเออการปฏิบัติทางจิตนี้มันก็มีสองเคล็ดที่สำคัญการมราคะหนึ่งอวิชชาหนึ่งท่านมหาก็พูดมาหมดแล้วไม่มีที่ข้องใจสงสัยเป็นอันว่าถูกต้องเข้ากันได้ทุกอย่าง ท่านก็เลยรวบเอาเลยผมก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านมหาไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งกันอุบายวิธีพิจารณากว้างแคบนั้นมันเป็นแต่อุบายของแต่ละคนละคนแต่ว่าสําคัญที่จิตที่มันรวมเหมือนกันท่านสรุปเอาอย่างนั้นเลยจากนั้นท่านก็เล่าให้ผมฟัง ถึงสถานที่ที่ท่านเป็น